พุทธธรรมฉบับปรับขยายบทที่21ปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจว่าด้วยเรื่องตัณหาและฉันทะขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้จุติเดชสุภกิจศินครอบครัวรักไพรสุเทพสิริอุไรวันชาวเมืองทองครอบครัวกับรากัญญนัททองบุญกัิยาบุญทกานนนภัชชาทวินกมลพัฒครอบครัวงามสุริยพงศครอบครัวโถสกุล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 และห้านตัดต่อแก้ไขก่อนไี้รับอนุญาต